คุณสวนนาลืมลือมไปนะฮะเชิญ 13 คนที่อยู่ในธรรมนะกายฐานกาย ทาง 13 คนที่สามารถจะช่วยเขาออกมาได้นะครับและข้าพเจ้าปกป้องคุ้มครองนะคนที่อยู่คน 3 คนดูแลเค้าแล้วก็ปก 13 คนนั้นพรุ่งยา รวมทั้งผู้ช่วยโค้ชและแต่ประชาบุคคลอยู่ขอพระเจ้าทรงอวยพรดูแลปกป้องเขาเพราะเขาอยู่นั้นหลายวันแค่แต่ประชาบุคคลอยู่ น้ำที่ลดลงฝนๆขอพระเจ้าอวยพรดูแลประธาน เราขอบพระคุณพระองค์โดยคําอธิษฐานที่จะเป็นผลให้เราได้รับข่าวดี ครับสิ่งที่เราท่องจําๆจริงๆพระเยซู พระเจ้าไวยพรอิสราเอลทําไมฮะให้เป็นมีแผ่นดินที่ไหนเต็มไปด้วยน้ํา <c oughs> แดงๆหลายเยอะแดงๆหลายเยอะนะฮะทินภูมิดานกันดาลจริงๆมันกันดาลจริงๆกันดาลแบบที่เรียกว่าไม่ แต่ถ้าปกกันดันจริงไอ้ทางนั้นคือว่าไม่มีต้นไม้แม้ๆน่ะ <c oughs> <c oughs> นะเมื่อคําอธิษฐานเราต้องไงถามถามว่าขอให้พระนามพระองค์ที่เคารพสักการะที่ได้คุยกันเรียนไปบ้างแล้วคนอยู่ฟังได้ยินเรานึกภาพออกมั้ยว่าง่ายๆพระเจ้า <c oughs> ชีวิตของพระเจ้าเป็นเหตุ 2 คนนี้มาเชื่อพระเจ้าเป็น นะถ้าพระเจ้าถ้ามีตอบกับสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ตอบแสดงว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ <c oughs> นั้นความหมายพระเจ้าคืออะไรความหมาย 43 ข้อ 15 ถึง 20 นะครับพระ 43 15 ถึง 20 นะครับ นะ, นะ, 13 บท 3 บทที่ 43 เข้าไป 43 ข้อ 15 ถึง 20 ผม 15 พี่น้องอ่านข้อ 16 สลับกันไปข้อ 20 นะครับนะนะ 43 ข้อ 15 20 ข้อ 15 ได้กล่าวบอกว่าเรา ผู้ส่งนามรถรบและม้าของทัพและนักรบออกมาเขา และแม่น้ำในที่แห้ง เพื่อคนคงจะพร้อมพร้อมในการทําการดีทุกอย่างหวยพอในข้างหน้าทุกคนอาเมนนั้นในความ แต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทําพระองค์ใช่แต่พระองค์จะ น่าจริงเราเชื่ออย่างปุงตรัสมั้ยความหมายมั้ยความมันมี <c oughs> <c oughs> น้ำมีไม่กี่ส่วนที่ทําได้มีโอเอซิสไม่กี่แห่งมีป่าไม้ๆส่วนใหญ่ก็เลยไป นะเราจะทํานั้นคือสิ่งสําคัญว่าในความหมายของพระเจ้าว่าเราจะทําทางในถิ่นทุรกันดารถิ่นทุรกันดารใช่มั้ยอ่าคนไม่ใช้ใช่มั้ยคนไม่เดินใช่มั้ยเราจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ะสิ่งเก่าๆก็ร่วงไปแต่พวกจะทําสิ่งใหม่ดูเถิดเป็น <c oughs> เกียรติเราที่ในภูมิดานไม่มีสัตว์ป่าแต่พรุ่งว่าๆมากมายไก่กองที่เกิดขึ้นต่อไม่กันดาลอีกต่อไปจะ อันพระเจ้าทําในที่ดินดินเนี่ยให้เป็นที่ที่อุดมปูนเพื่อคนของพระเจ้าเนี่ยสามารถอยู่ได้และมองเห็นว่านี่ <c oughs> แต่พูดว่าเป็นแผ่นดินที่มีน้ําพรุ่งบอยบูน แต่เค้าเชื่อในสัญญาพระเจ้าพระเจ้าทําให้หินตานี้กลายเป็นน้ําพึ่งและน้ําหนุ่มอันนั้นคือสิ่งที่ทํามันหนุนใจนั้นด้วยเหตุผลเนี้ยอิสราเอลเข้าใจอิสราเอลมองเห็นภาพแผ่น เพราะพระเจ้าสัญญาออกไปและอนาคเขตดีอย่างตัวเองด้วยเหตุคือ 1 ไถ 2 ลงมือทํายิวทํา ไอ้ฐานให้เป็นตามพระเจ้าบอกว่าแผ่นดินอิสราเอลเหนือจดซีเรีย <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ปล่อยไปจากนิมิตของเขาเขาไม่ปล่อยจากความจริงของเขางั้นยิวทาง จากคนที่เกือบ 2,000 ปีนะอย่าลืมเกือบ 2,000 ปีตั้ง 1,000 เอ่อตั้งแต่ ค.ศ. 1948 เกือบ 2,000 ปีนั้นนั่น แต่พระเจ้าทําให้อยู่กับมนุษยชาติขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเขาต้องเอาดินแดนที่พระเจ้า อิสราเอลมีเมืองไทยเนี่ยสวยนะคนมาต่างอิสราเอลทําอะไรหมดอ่ะดินแห้งแล้ง <c oughs> <c oughs> เมืองไทยสุดยอดในความชุ่มชื้นแล้วมันต้องแต่สําหรับผมคือ กำลังแค่ปรับบินให้ดีก็ใช้ได้เลยนะไม่ต้องลงทุนสูงนั่นคือสิ่งที่ทําในพมพีไม่ เข้าใจมั้ยฮะพอเรารอไงไอ้ฐานนั่งรอแต่ในหลักเกณฑ์และพระเจ้าท้ายเกิด 1 อนาคเขตไว้เวรของเขาเป็นแบบไหน 2 พอเข้าเคสเอ็นปั๊บเริ่มมีเขียวๆนะฮะเริ่มเพราะเป้าหมายว่าเขียวๆตอนหน้านั้นไม่คิดคิดนู่น ทำยังไงจะได้แผ่นดินครบถ้วนทําไงแผ่นดินจะเป็นด้วยน้ําผึ้งน้ํานมเค้าคิดแล้วก็ทําแล้วก็ไอ้ฐานของเจ้าพึ่งพาพระเจ้านั้นคือสิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันผมหนุนใจที่จักไทยทําอะไรกับเพื่อประเทศไทยบ้างทําอะไรบ้างเพื่อ คิดจักไทยคริสเตียนไทยในฐานไอ้ฐานเรื่องการเป็นครัวโลกครัวโลกมันหมายถึงอะไรหมายเรื่องอาหารการกินใช่มั้ยอย่าไปฐานเรื่องอุตสาหกรรมครัวคืออาหารอาหารมา <c oughs> นะสามารถผลิตเองแปรรูปเองขายเองไม่พึ่งพ้อค้าคนกลางถ้าทํานี้ได้เกษตรกร แล้วช่วงหลังมีการปลูกมันไงมันเอ่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วสุดท้ายปลูกกันเยอะเลยคนมาซื้อก็ซื้อเหมือนกันน่ะแต่ แต่ว่ารอหน่อยเพราะมันต้องทยอยขายให้ขายได้แล้วมาให้กันนี่คือความเสียเปรียบของเกษตรกรไทยนั้นถ้าจะทําไงดีเกษตรกรรุ่นเก่าปรับตัวยาก นั่นนี่การทําเสร็จแบบเชิงของเอ่อแบบเรียกว่าซิสเต็มอ่ะนะเอาศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันทําการเกษตรเพื่อปฏิรูปประเทศไทย <c oughs> <c oughs> 20 ปี ทำได้แต่ต้องไปเสร็จกอรุ่นใหม่รุ่นเก่า เป็นครัวโลกเนี่ยใครก็อยากจะมานะแต่จะมาไม่มาขึ้นอยู่กับความน่าจะมาหรือไม่มา ทุกคนยอมรับนะครับคัวโลกเกี่ยวเรื่องอาหารเกี่ยวเรื่องการ ทั้งๆที่เมืองไทยถูกกว่าถามว่าทําไมผมถามนัก แต่การครบชาติเมืองไทยมันตอดติดตอดหน่อยไป ความสบายใจก็ว่าไงเขาว่าน่าสนใจคือความสบายใจอ่ะมาสบายใจเนี่ยงั้นผมเลยฐานเผยเรื่องนึงไอ้ฐานพระเจ้าทําลาย นั่นคือส่วนที่ใหญ่กว่ามันมีภาพรวมเมื่อรอยฐานประเทศไทยต้องมีภาพในสมองพระ นะโอเคขอบพระเจ้าพักพลังรักเปิดตัวพรรคของคริสเตียนเราขอบพระเจ้าอธิษฐานเพื่อคนไทยมากมายที่รัก นะฮะอยากได้นักการเมืองแบบไหนอยากได้นายกแบบไหนไอ้ฐานเข้าเป้าเลยแต่ผมเชื่อว่าคริสเตียนฐานเรื่องนี้น้อยมากหลายฐาน เป็นศูนย์กลางของประเทศและอาเซียนใหญ่กว่าอีกเข้าๆแต่ใหญ่กว่าเข้าใจความหมายมั้ยฮะเป็นสีใหญ่กว่าอินจีนเป็นศูนย์ นี่ให้ออกเป็นอธิโอกใน 20 กว่าปีผ่านมาคิดว่าตัว เกาหลีก็เหมือนกันต่างคนต่างทําไม่เคยรวมกันแต่ประเทศ คนท้องถิ่นร่วมมือทําอะไรก็ตามแต่แต่มีร่วมมือ ลง 2555 นั่นเพียงแต่เราไม่สนใจเองสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่เราไม่สนใจไอ้งี้มันจะไป ระบบขนส่งสาธารณะ BRT ได้และระบบของขนส่งสาธารณะจะเป็น จะไปเปิดดูรถยิบมาจากแผนพัฒนาร่วมกันไฟฟ้าไปเปิด 20 ปีนี้นี้อะไร อ่าการขนส่งภายใต้เอ่อภายในจังหวัดเชื่อมโยงจังหวัดเช่นสถานีรถไฟรางคู่รถไฟความเร็ว หน้าที่รู้ฐานฐานเนี่ยไอ้ท้ายมันเกิดขึ้นให้เร็วอย่าปล่อยให้ไปช้าๆอย่าปล่อยแล้วแต่ทะบาลมั้ยเรา 3 แนวคิดการพัฒนาพื้น รวมอ่ารวมพิษณุโลกและพังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกมี 23 แห่งอยากจะรู้ไปเปิดดูเอง 23 แห่งกําหนดไว้ที่ไหนบ้างนักธุรกิจนักลงทุนไปซื้อที่ไว้ นะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นศูนย์การสัญลักษณ์พาณิชย์ซื้อซื้อตอนนี้เดี๋ยว เอ่อเขตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนศูนย์เศรษฐกิจเขตเมืองแยกกันว่าเอ็กซ์ตร้าโลตัสเอ็กซ์ตร้านะจึง มันมีอะไรน่าตั้งไอ้ตัวนั้นน่ะก็เพราะเหตุผลเป็นศูนย์เศรษฐกิจไง ไอ้ฐานให้เกิดขึ้นเร็วเราต้องให้ฐานแผนเนี่ยไปดูแผนอ่านแผนอ่านแผนนี้แหละเพิ่มเติมในสิ่งที่พระองค์ทรง แม่น้ําไม่มีไว้ให้น้ําเดินเฉยมีเอาไว้เป็นไม่ทําแม่น้ําให้เป็นทางเป็นทําถนนที่ลงทุนถูกที่สุดอ่ะแม่น้ําอ่ะคนอาศัยอยู่ตามชาย ผมไอ้ฐานผมถือพระเจ้าแสงค์คุยผู้รูปใช้แล้วพระเจ้าเออ แม้ที่นครสวรรค์ก็ได้อยู่ทางน้ําน่ะก็ฐานเนี่ยผมก็ ในเทศของต่างใช้อยู่คองเล็กของนรใช้อยู่เพราะมันช่วยงั้นกันนี่คือกายฐานทําในสิ่งที่เราทําได้คือ <c oughs> ราคาหลังเนี้ยอนาคตอยากขึ้น 5 ชั้นอนาคตอยากขึ้น 2 ชั้นตอนนี้ข้างหน้านี้ข้างบนจะยกระดับนะพื้นที่จะโล่งได้ทําอะไรผมอธิษฐานนึกถึงพื้นที่โล่งไม่มีอะไรเลยนะพื้นที่โล่งมากมีถนนไอ้ล้างไฟมยก <c oughs> เราจะทําไงตรงนี้ให้มันเอื้อประโยชน์อย่างอย่าง ใน 2 คือเหตุการณ์ที่มันนั้นจะเป็น 4 แยกโอ้โหต้องมีหลาย นะเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนแล้วกําหนดให้ปิสโบลเป็นศูนย์กลางประเทศไทยเป็นฮับ นะเตรียมตัวรองรับอันนั้นคือสิ่งหฤทัยที่น้องมองเห็นภาพอ่ะขอพระเจ้าที่มีครบศักดิ์ศักดิ์อะไร 1 ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเขาช่วยสิเราเป็นผู้ย้ายเขากลับใจเชื่อพระเจ้าพรรณนาพระเจ้าจึงรับกันกล่าวขานและยกย่องสรรเสริญไม่ใช่ฐานแล้วก็รอว่าจะไงอ่ะพระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนบูชาแล้วพระองค์ อันนี้คือการประกาศธุรกิจคุณของพระเจ้าเรารู้ 2020 อย่า 2020 20 ปีข้างหน้าเขาจะให้อะไรเกิดขึ้นในโลกไปคือคริสเตียนเพราะกินต้องไอ้ฐาน ตอนนี้ผมเหนื่อยนะจะไปภูเก็ตทีต้องเดินทางไปลงดอนเมืองแล้วใช้เวลาในดอนเมือง 3-4 หรือ 4-5 ชั่วโมงแล้วแต่เที่ยวบินแล้ว Air Asia จาก อ่าเรขาเว่วแว่วนกแอจะจัดโศกอุบลทํานองเนี้ยนะเอออ่ะใจมั้ยเสียเวลาถ้าพระองค์ๆแล้วให้เดินลําบาก พระเจ้าก็ตอบนะฮะงั้นพวกเช็คไอ้ฐานพลเรื่องนี้ ไอ้ฐานเกษตรกรที่ที่ใช่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีให้เหมาะสมทําน้อยให้ได้มากรวมตัวกันอย่าพึ่ง ทำผมทำผมทำวันนี้อาจจะรู้ทําทําไมแต่ในอนาคตประโยชน์สูงสุดแน่นอนเชื่อเถอะประโยชน์เราจะใช้ทุกวันเราใช้บางพื้นที่ ถ้าเราไม่เห็นภาพชัดเจนขอไปได้ร้อยอะไรอ่ะโอเคพิจักนี้พระเจ้าว่านะเราเป็นต้นแบบไม่ แต่ถามนี้เกิดใหม่คดีเราเยอะนะแต่เราเป็นต้นแบบครับเข้าใจมั้ยเป็นต้นแบบพฤศจากรโอเคเราเป็นต้นแบบคนอื่นก็เริ่มตามไอ้เอกสารพวกเนี้ยโอ้เราเป็นต้นแบบหลายเรื่องนะฮะแล้วเป็นต้นแบบอะไรต่อไป ให้เป็นภาพที่ชัดเจนเป็นภาพที่ชัดเจนอย่าเป็นไงฐานแบบลอยๆนะฮะแล้วก็นั่ง <c oughs> <c oughs> นะก่อนตายนี่ขอเห็นร้อยแห่งตายในกิจจักรที่ร้อยก็โอเคนะนะอันนั้น มาฐานเลยฐานให้ภาพชัดเจนแล้วลงมือทําลงมือทําตัวนี้อาจจะดูเบลอๆนะไหนก็จากเราอ่ะแต่สักพักมันจะลงตัวของมัน <c oughs> ทำไปอ๋อยังเพิ่มเติมไหนนายทําแล้วทําเลยงบมัน <c oughs> น่าจะพอคิดเพ้อเจอเชียงใหม่เชียงใหม่ดีกว่ากรุงเทพฯใช่ปัจจุบันแต่อนาคตไม่ <c oughs> ขอบพระคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าที่มีต่อกับพวกเราขอขอบพระคุณพระ